أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ้ والسلام على เ ش ر ف المرسلين نبينا محمد وعلى ร ل ه وصحبه ومن تبعهم ب ่ ح س ا ن ล ل อจากพระเจ้า م ا بعد السلام عليكم و ر ح م ร الله وبركاته ลื ي ا, ب ي. أ ت, ت ب พร ا ت จ้าผู้ทรงผ ปฏิบัติของศัตรูอิสลามในการที่จะลบล้างหรือหักล้างจ ะ, จะทำซึ่งยุทธศาสตร์สําคัญสําหรับทุกคนที่มีคะแนนนิยมในสังคมเนี่ยจะได้เอาชนะเขาเนี่ยคือจะเอาชนะคนที่มีคะแนนนิยมในสังคมเนี่ยทำยังไง ง่ายที่สุดโดยที่ไม่ต้องยกกำลังไม่ต้องใช้อาวุธเสียเวลาในการเข่นข่งข้ากันนะก็คือ discredit ก็คือทำลายชื่อเสียง <c oughs> ซึ่งแผนการของชาวมักกะที่พยายาม ทำลายช ates, for er die die question, die ื่อเสียงของท่านอับดุลเลาะห์ในศาสนาอับดุลเลาะห์13ปีในการใส่ร้ายท่านว่าเป็นคนขาดสติบ้างอ่านของเขานี่ก็ไม่ต่างอะไรกับกลอนกรอนอับดับทั่วไปโมฮัมหมัดนี่ก็แค่เป็นเป็นนักนักวีคนหนึ่งหรือใส่ร้ายว่าเป็นนักเสยสัตย อ่าเป็นหมอดูอ่าเป็นคนที่แบบว่าดูดวงดูดาวพยากรณ์อนาคตอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยเป็นแผ่นดิสเครดิตคือทำลายชื่อเสียงเนื่องจากว่าชาวมกักกะนี่เขาก็เกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเครื่อยิท่านนบีสุลล่าม ซึ่งตอนนั้นท่านนบีก็จะเป็นลูกหลานตระกูลสำคัญที่สุดในกุริชก็คือตระกูลฮาชิมตระกูลเนี้ยฮาชิมนี่คือทวดทวดมุฮัมมัดอับดุอาบดิลลาฮ์อับดุอาบดลมุลิบอบุฮาชิมเป็นทวดของท่านนบี ลูกหลานเนี่ยเขาจะเรียกบรรฮาชิมฮ <c oughs> าชิมไม่ค่อยมีใครตั้งชื่อนะส่วนมากจะหิชามกันนะัน่นดินมหาชิมนี่ไม่มีบางคาชิมเรา <c oughs> แต่กูลบรรุฮาชิมเนี่ยก็จะครอบครองตำแหน่งสำคัญสำคัญที่มักกะซึ่งตำแหน่งสำคัญสำคัญที่มักกะเนี่ย ก็แบ่งเป็นด้านด้านบริการกาบาและผู้ที่มาเยือนกาบะเพราะกาบาตอนนั้นถือว่าเป็นเป็นศูนย์กลางของคาบสมุทรอาหรับอาหรับอาหรับเนียอาหรับที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเนียได้สืบทอดศาสนาของท่านนาบีอิบรอฮีม ท่านนบีบรหิมเป็นผู้ก่อตั้งกาบาดังนะั้ลูกหลานท่านนบีบรหีมอิสมาอินเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องนึกถึงบ้านปู่ใหญ่เห็นไหมเวลาเวลาลูกหลานเราเนี่ยเวลาอยากจะรวมญาติไปไหนอ่ะเขาจะบรรยายบรรยายไม่ได้คือบ้าบ้านคน คนผู้หลักผู้ใหญ่ของตระกูลน่ะนะเออไปรวมตัวกันที่ลูกหลานเขาก็ไปกันที่นู่นนั่นเรื่องปกติอันนี้มันมีอันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นมรดกด้านทรัพย์สินด้านชื่อเสียงด้านสายเลือดอย่างเดียวมันมันเป็นมรดกด้านศาสนาด้วยปัญหาว่าศาสนาท่านอับิบไลมีถูกบิดเบือนในอับรบไลมเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียว อายุดีดีประมาณ 5,000 ันปีตั้งแต่สมัยท่านนาบีอิบรอฮิมถึงท่านนาบีมหามัดประมาณ 5,000 ปีศา ส, สนาถูกวิตเบือนอย่างสิ้นเชิงจากพระเจ้าองค์เดียวเป็นพระเจ้ารอบๆกาบาที่เฉพาะเขาบอกว่าเฉพาะจาเจวิที่แขวนที่กาบาเนี่ยส0 0รอกว่าตัวละ้ะอีนนี้พอท่านนาบีมามาฟื้นฟูศาสนาของท่านนาบีอิบรอฮ وأوحينا ل ي ك أن تتبع م ل ب ر ا ه ي م ح ن ي ف الله ن ع م ح م ل ا ل ن ب ر ي م ح ن د ن ا ي م ب ع م ل ت ا ه ا ل ا ه ا ت ا ه ا ت ا ا ا ل ا ه ل ا ت ا ه ا ت الاتجاهات الاتجاهات الاتجاهات الاتجاهات ا ت ج ا ه ا ت ل ا ت ج ا ه ا ت ا ل ا ا ه ا ت ا ت ج ا ه ا ت الاتجاهات ا ه ا ت الاتجاهات الاتجاهات ل ا ت ج ا ه ا ت الاتجاهات ا ل ا ج ا ت ت ت ت ที่จะทำลายชื่อเสียงของท่านนบีและตะคาเรียกร้องของท่านนบีจะอ้างอะไรอ่ะามีอยู่สองอำนาจสำคัญอำนาจการบริการกาบาเพราะกาบาถือว่าอยู่ในในดวงใจของชาวอาหรับทั้งหมดเอาใครจะปฏิเสธละ่ะแต่แม้กั้ทั่มุสลิมใช่ปะแต่ก่อนที่จะมีอิสลามเนี่ยอาหรับทั้งหมดเลยเนี่ยยังไงถึงเดือนสุไิจ์เนี่ย จุลกาดันเขาต้องมาตั na, kh ung, kh ung kh ut, ้งตลาดนัดกันละรอบรอบมากันตั้งตลาดนัดร e ูปาจุลมิจแนห์มิจเอมาเาซเป็นตลาดนัดใหญ่โตทั้งนั้นเศรษฐกิจของของคาบสมุทรอาหรับสําคัญสําคัญนะขึ้นกับตลาดนัดใหญ่เหล่านี้ซึ่งตลาดเนี้ยในเนี้ยขึ้นกับงานศาสนาซึ่งไม่ผิดไม่ผิดจุลกาดันเเขาก็มาตั้งตลาดนันกันละ ฉะนั ah. ้นอาหรับอาหรับมีเขาปลูกพันกับกาบาเรื่องบริการกาบาเนี่ยดูแลกาบาอะไรเงี้ยฮะดูแลกาบเขาเรียกันอัศเดนะอัศเดนะเรื่องบริการดูแลเรื่องกาบามัสิดฮะรอมรอบๆกาบาเนี่ยคนที่ถือกุญแจกาบาเนี่ยอัดนะแล้วก็ การดูแลน้ำจำๆแล้วก็วิตน้ำจำๆเลี้ยงน้ำจำๆให้คนที่มาทาอุม์ร้อมมาทำให้เนี่ยเรียกการอสซิกไยะซิกไยะนี่ทั้นี่เป็นอะไรกันบริการบริการค้าบะและคนที่มาเยือนค้าบะอาหารล่ะคนที่มานี่กินได้มพียงเดียวเลี้ยงอาหารด้วยรฟาดาเรียกรฟาดาดานะรฟาดา สิกข้อใหแต่มาดีนะสามอย่างเนี่ยนี่เป็นเรื่องบริการครับบ่อยู่ที่บรรุฮาชิมมีทั้งหมดนี่อยู่ที่ตระกูลบรรุฮาชิมตั้งแต่สมัยปู่ทวดของปู่ทวดฮาชิมด้วยซ้าไปก็คือกุไซอิบนิกิลลบต้นตระกูลของกุเรชั้งหมดต้นตระกูลของกุเรชเนี่ยก็คือก็คือฟิร์เนีย ลูกหลานของฟินี์เนี่ยคนใหญ่โตนี่คือกุซายิมนิกิเลฟเนี่ ย, ค, ค, ย, น ค, นยคนนี้เนี่ยที่ได้ดึงอำนาจบริการกาบะสถานที่และคนที่ยืนสถานที่เนี่ยมาอยู่กับกับกูลอของฮ่าชิมแม้กระทั่งฮ่าชิมเองเนี่ยบางแรงงานบอกว่าฮ่าชิมเนี่ยไม่ใช่ซีดิงตัวฮาชิมเนี่ยเป็นฉายา ห้าชิมไปว่าอะห้าชิมไปว่าคนนี้คนที่เอ่อขยี้ขนมปังแต่ก่อนนู้นนะอาหารที ب ب ่ยอดเยี่ยมนี่ก็คืออัลสริดท่านนบีบอกฟ ضل ลฟ ضل ุสิริดอัลตุอามคกฟ ضل ุอาอิชชะตีอัลนิสาเนบีเปียบเทียบเลยนะ فضل อาอิช تعالى นสักฟ ضل สรีดะ علىسائر ทั้งความบริสุิ์ของทนีงาอชะเหนือกว่าสตรีทุกคนเนี่ยเหมือนอาหารสรีดเหนือกว่าอาหารทุกชนิดซึ่งอาหารตอนนั้นน่ะสรีดนี้ก็คือคือตะกอนนุ้นน่ะอาหารอาหรับนี่จะเป็นอาหารเบสิกเบสิคมากเลยอ่ะเนื้ออย่างเดียวเนี่ยอ่ะ เชืดัวเชือูดเชืดเชืดวัวเชือด อ, ดอดูดเชืดแพะอกินเนื้อจบถ้าถ้าหากว่าพอตะก อ, อนนู้นนะใครที่จะมีหม้อน่ะจะได้จะได้ต้มเนื้อน่ะอันนั้นถือว่ารวยแล้วนะอ่ะาเพราะเมีอูดมีแพะมีอะไรเนี่ยก็ก็เสร็จกันแล่แล่นังก็ย่างเสร็จกินเนื้อจบจบกันบางทีไม่ต้องแล่นี่ไปฝังทั้งตัวใต้ดิน แล้วก็จุดไฟฮะเชื่อเสร็จแล้วอ่ะนะฝังทั้งตัวจุดไฟฝังในอบอบอบเนี่ยอบรอบๆอ่ะนะจุดไฟออกมาเป็นเป็นอะไรเป็นแพะอบนฮนีที่นน่ะอิบราฮมเลียงว่าอินฮนฮนี่เป็นอาหารเบสิกมากแต่ถ้าหากว่ามีหม้อแล้วก็เอาเอาสัต เลี้ยงนี่มาต้มมีซุปด้วยนะโอ้อันนี้ขึ้นขึ้นขั้นและขึ้นระดับละ่ะเคยเห็นข้าวสาลีไหมตัวเม็ดข้าวสาลีอ่ะเคยเห็นข้าวไหมข้าวข้าวนี่แหละข้าวสวยนี่แหละแต่ข้าวมีเปลือกนะข้าวในเปลือกนะอ่ะข้าวสาลีเนี่ยมันก็เห ม, มันก็เหมือนข้าวในเปลือกแต่แต่เม็ดมันจะอ้วนอ้ว น, ว น, ว น, วนมันจะมันจะมันจะใหญ่หน่อยนั่นน่ะคือข้าวสาลี ถ้ดีหน่อยนะเขาก็จะเอาเข้าสาลีพวกเนี้ยแล้วก็ใส่ไปในซุปอะเอาต้มต ม, ต, มต้มสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะต้มเสร็จแล้วเนี่ยเอาออกนะแล้วก็เอาเข้าสาลีในเปลือกนี่นะต้มไปอันนี้ก็ขึ้นนะขึ้นไปขั้นนึงแล้วถ้าดีกว่านั้นอีกอีกหน่อยนึงอะดีกว่านี้อีกหน่อยนึงอนะเอาไอข้าสาลีนั่นนะ่ะในเปลือกนั่นนะ่ะไปบดไปบดเป็นแป้งแต่แป้งแบบไหนอะแป้งดําอะ ถ้าพวกแม่บ้านเนี่ยเขาจะเรียกแป้งดําเลยนะมันจะมีแป้งที่เราทํำขนมทำขนมปังนั่นนะ่ะแป้งขาวแป้งขาวเนี่ยเขาเอาอะไรออกอ่ะเอาเปลือกออกไม่มีเปลือกใ่มีแต่มีแต่เนื้อคาราเบเรียแต่ถ้าไปบดกับเปลือกันนะมันจะเป็นแป้งดําอันนั้นนะ่ะมีประโยชน์เขากล้องในพันหนึ่งเขากล้องในเปลือกนะนะั่นน่ะเคยกินไหมล่ะนั่นเนี่เขาตอก่อนนึงเขาไม่ค่อยไม่ค่อยขั้นดีกว่านั้นน่ะ น, นะ ดีกว่านั้นนะ่ะคือที่ที่ทบทบทเอ่อบทนั้นนะแล้วก็เป็นแป้งแล้วใช่ปะแต่แป้งดํานะแล้วก็เอามาใส่ในซุปปะแล้วก็ซุปมันก็จะกลายเป็นอะไรอก็จะกลายเป็นโจ๊กถูกต้องถูกต้องกลาเป็นโจ๊กนี่แหละถ้าจะอร่อยหน่อยนะก็ใส่พวกไอ้นเนยไขมันของไอสัตว์เนี่ยสัตว์เลี้ยงที่ ท, ที่ละลายนี่มันเออเหมือนมารวย ตะเกือกน่ะตะกอ น, น้้ำเกลือเขามีแน่นอนดีกว่านั้นนะ่ะขึ้นไปขั้นหนึ่งไอข้าวสาลีนะนะั่นน่ะบดแล้วเป็นแป้งนะ่ะนวดนวดกับน้ำทําหนมปังเป็นแผ่นๆหนมปังเป็นแผ่นอันนั้นโอ้โหนี่อันนั้นคือโอ้มหาสิรธีแล้ว ทำขนมปังอะเป็นแผ่นๆ น, น, น่นน ะ, นะแล้วก็เอาขนมปังเนี่ยมาบิดมามามฉีกแล้วก็เอาซุปนี่มาเทนั่นนะเขาเรียกเสรีดนบีจึงบอกว่าเนี่ยถือว่าหัวหน้าเออเจ้านายอาหารน่ะคือถ้าอาหรับใครที่ทำานี่เสรดนี่นะก็อดานี้เขาก็สังขายานากันแล้วนะเสริดเนี่ย สารพัดอย่างนี่ที่เขาต่อเติมเดี๋ยว น, นี้ก็มีถ้าใครไปนานาก็มีนะอาหารเนี่ยแตมีมีพัฒนามีข้าวมีอะไรเสริมไปด้วยแต่สริดนี่ก็คือนมปังที่ฉีกนะแล้วก็ใส่ซุปพอใส่ซุปแล้วข น, นมปังก็จะไม่เหมือนโจ๊กไงมันจะเป็นแบบว่าเป็นเออเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยอร่อยน่นเนขะาเรียกสริดคนที่ฉีกนนมปังเนี่ย เออการี่ยาของคําว่าษยกเนี่ยฮาชิมาคนที่ศิกเนี่ยเขาเรียกกันฮาชิมเนี่ยผมต้องเล่าดูดิจะได้มาถึงเรื่องยาวมะอยาวฝนตกนี่ไม่ได้ไปไหนกันนะก็อยู่ก็อ๋อแล้วใช่ไหมฮาชิมเนี่ยออแล้วรู้ที่ไปที่มาอันนี้ถ้าจะไปค้นหากันในหนังสือนี่หายากนะเออผมนี่ก็ต้องใช้เวลาเป็นปีอ่านประวัติศาสตร์กว่าจะได้เจอนะฮาชิมเนี่ย และตระกูลของบาโนฮาชิมเนี่ยรับผิดชอบเรื่องบริการกาบาและคนที่เยืนกาบะฮาชิมเนี่ยเขาบอกว่ามีใช้เป็นฉายานะฉายานี่ฉีกขนมปังแล้วก็เลี้ยงอาหารอินอาหารสซรีนเนี่ยโอ้ดูตะนเขาเลี้ยงยังไงเขาเลี้ยงกุญแจเลี้ยงอาหารดีนะนะเลี้ยงอาหารดีนะไม่สิจัดบรรยายเนี่ยเลี้ยงก็ต้มก๋วยจับ๊บ อจัดบรรยายทีนึงแล้วก็เลี้ยงขโมกอะไรเงี้ยอนี้ น, น, น, นี่ไม่ค่อยมีแต่แต่ตก่อนนู้นเขาถือเป็นเกียรติไงแล้วเขาถือว่าอันนี้แหละคือเครดิตของเขาเครดของเขานี่คือบริการทั้งศาสนสถานที่มีศักดิ์ศรีแล้วก็คนที่มาเยือนคนนี้มาทําศาสนกิจในสถานที่นี้มีอํานาจหนึ่ง อีกอำนาจหนึ่งซึ่งเป็นอำนาจสําคัญก็คืออำนาจตัดสินในเรื่องในเรื่องใหญ่ก็คืออำนาจปกครองซึ่งตอนนั้นน่ะตอนนั้นคือมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนะแต่มันปนนะ่ะมันจะมีระบอบอประชาธิปไตยนี่คือชูรอโดย หัวหน้าเผ่าหัวหน้าตระกูลผู้หลักผู่ของตระกูลที่ถูกคัดเลือกด้วยบทบาทของเขาชื่อเสียงของเขาเนาะอตาแหน่งของเขาในสังคมเนี่ยถูกคัดเลือกเพอาะถูกคัดเลือกแล้วนคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสมาชิกสภาที่กุ้ไซเป็นกิล็บต้นตระกูลกุเรชเนี่ยตั้งไว้ที่มักกะเนี่ย ชื่อดารุนน็ดดัวดารบานอันน็ดดัแปลว่าประชุมบานประชุมมานยู่ไหนัยยู่หนากาบ้านี่แหละมีอะไรเกิดขึ้นสงครามมีปัญหาอะไรนี่ประชุมกันเรียกประชุมบรรอุมักซูมบรรณฮาจิมบรรณบรรณอับดิชัมส์มามาเรียกมาประชุมกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันซึ่ง การที่จะเป็นผู้นำของสภาเนี่ยเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยอาถ้าเสียงเสียงพ้องกันน่ะนะไม่มีความขัดแยง้งไม่มีขคลายบกันน่ะนะก็ก็โอเคมติอ้าวนะ่ถ้าเสียงแตกละ่ะจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ฟันธงเออปรากฏว่าปรากฏว่าผู้ใหญ่ที่จะฟันธงเนี่ย ส่วนมากเนี่ก็พวกบานูฮาซิมเหมือนกันในยุคที่ท่านนาบีมีชีวิตเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่สุดในโคเรชเนี่ยที่จะฟันธงเรื่องเรื่องความขัดแย้งในเรื่องราวในในเมืองอ่ะนะก็คือก่อนที่นบีจ ะ, จ ะ, จ, ะจะมีอายุอ่ะนะก็ตอนที่ท่านนาบียังกําพร้าอยู่เนี่ยก็คือคุณปู่ท่านนาบีอับดุลมุตเตลิบนี่อันนี้ผูดนำเลย โอว่ า, าไม่มีใครกล้าที่จะล้าหน้าอับดุลมุตเลิบอับดุลมุตเลิบนี่ยจะมีพรมพรมที่สั่งซื้อมาจากเปอร์เซียพรมนี้เป็นพรมใหญ่มากเขาจะปูพรมเนี้ยหน้ากาบะอับดุลมุตเตลิบคนเดียวที่สามารถเข้าไปยืนละหมาดละหมาดหน้ากระวนพรมแล้วจะมีลูกลูกเขาเนี่ยสิบเอ็ดคนนะ่ะนั่งเฝ้าเขาไม่มีใครกล้าที่จะเหยียบพรมผืนเนี้ย นอกจากท่านนบีมุฮัมมัดหลานอับดุลมุตเตลิบเที่ยที่คุณปู่เขาเนี่ยจะเนี้พอรักมากอับดุลมุตเตลิบเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกอาวุโสคนโตที่สุดเนี่ยคืออบูตอลิบเนี่ยก็ได้รับอํานาจถ่ายทอดมาจากอับดุลมุตเตลิบเนี่ยก็กลายเป็นผู้ใหญ่ของกุไรชเหมือนกันนั่นน่ะ ชาวกุเรชเนี่ยขอบียงใจว่จาวท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวัลลัมมีอบูตอลิบเนี่ยเป็นลุงของท่านคอยคุ้มครองปกป้อ ง, อ ง, องพอท่านนบีโตแล้วอายุยี่สิบห้ายังไม่ได้เป็นนบีนะแต่ตอนยี่สิบห้าเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นเยาวชนที่อยู่ในดวงใจาชาวกุเรชทำไมอะ ปัญญาเชียบแหลมเป็นวัยรุ่นสัก์จริงไม่เลอะเทอะซึ่งหายากจึงถูกมองว่าเป็นคนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งรวยที่สุดในตระกูลที่ค่อนข้างดังที่แบบว่าแข่งขันกับบนุดาชิมตระกูลบนิมัคซูมก็คือขอดีจ่ะเป็นดูควายลิ เป็นผู้หญิงที่ได้มรดกจากพ่อจากสามีที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจึงเป็นผู้หญิงที่รวยมากท่นานนบีอายุอี่สิบห้าเนี่ยมีทั้งลุงคุ้มครองอานาจ ด, ด้านการปกครองและมีภรรยาที่เป็นคนรวยพอท่านนาบีได้เริ่มเทศนาแล้วเนี่ยใครในกุลสก็ไม่ชอบจะไม่มีใครกล้าที่จะทำร้ายท่านนาบี จะเป็นาได้ไงยะจะไปจะไปทำท่านนาบีได้ไงก็เลยใช้วิธี discredit ก็คือทำลายชื่อเสียงทั้งนี้ชาวชาวกูริจิตเขาก็อย่างที่บอกว่าเขาทําทำลายชื่อเสียงแบบแบบเป็นลูกผู้ชายอะเขาไม่กล้าที่จะ พูดอะไรที่คนไม่น่าเชื่อคนคนไม่เชื่อไ ม, ไม่ไม่อยากเชื่อทิ้นไม่กล้าไม่กล้าบอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนโกหกมีก็ไม่มกล้าพูดเลยทําไมอ่ะทุกคนแทบคาบสมุรอาหรับทั้งหมดเนี่ยเขรู้กันว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นอย่างไรทำไมก้า แต่จะพูดอะไรในท theory, <au> ํามนองที่ปวพอฟังได้เฮ้ย hey, เนี่ยที่มุฮัมมัดกูอานดิ ھی, มุฮัมมัดอ้างนี่นะมันก็คือกลอนนี่แหละเอออาหรับเขาเขาเขาเล่นกลอนกันใช่ไหมเขาพูดกลอนเขาก็เออมันก็ใครใคกล้เคียงกันหรือเปล่ามันสำนวนมันใกล้เคียงเออมุฮัมมัดนี่ก็จะพยากรณ์เรื่องอนาคตเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเนี่ยเยาี่พูดเหมือนพวกหมอดูเลยมันก็จะดูเป็นเรื่องที่แบบว่า อมกินหน่อยนี่พอฟังแล้วเนี่ยมันเออมันไม่สะดุดใจแต่พออบูตอลิบเสียชีวิตไปแล้วท่านขอดีเจ้าเสียชีวิตไปแล้วเริ่มแผนทําร้ายทํำร้ายร่างกายนาบีแล้วนะทําร้ายร่างกายนาบีทําร้ายคนที่รับอิสลามทําร้ายคนที่ช่วยเหลือท่านนาบีจนถึงที่สุดนี่นะครับ ในปีที่สิบสองที่สิบสามเนี่ยก็เป็นแผนที่จะกักขังท่านนาบีหรือจะขับไล่ท่านนาบีหรือแผนที่เขาให้น้ําหนักมากที่สุดนี้ก็คือฆ่าท่านนาบีแผนของกุเรชหรือชาวมก้าในการที่จะลดเกียรติหรือทําลายชื่อเสียงของ น, นาบีสุลต่าละฮ์ฮะเลวซะแล้วไม่ไม่ประสบความสําเร็จแต่ชาวกุเรชยังถือ ความชอบที่จะวิจารณ์ท่านนาบีสลสลฮอัลเลาะลมด้วยเหตุผลว่าเขายังเป็นคนที่บริการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือกาบาในเมื่อเขาเป็นคนที่ดูแลกาบาเขาเป็นคนที่ดูแลมสัสยิดฮารอมเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ท่านนาบี อามะก็เลยตอบโต้เขาในสองสในสองสามอญญายะที่ผ่านไปแล้วเนี่ยตอบโต้เขาในความชอบที่เขาอ้าง่ว่าการที่เขาบริการกาบาการที่เขาอยู่ที่มาสิทธารอมโดยปราศจากคุณสมบัติแห่งความเมียมเกรียงพระเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของกาบา ให้ชาวคนอืไม่ปฏิเสธว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเจ้าของกามาของเบยตุลลอห์อัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าว่าไม่ كانوا أولياء ข้าวมันเป็นบุบุคคลกงกามอิน أولياء อูห์อิลลัลมุตะ قون แต่ริงคนที่จะปกครองกาบานี้ย่อมต้องเป็นคนที่มีตะกวาและหลังจากนั้นเราก็บอกว่าก็ดูสีพฤติกรรมของเขาในกาบ้านนี้ก็ล้วนเป็นการเตา วีปบมือนะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมกับสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้อายะที่ผ่านไปแล้วแต่นั้นไม่ใช้หมายรวมว่าซากรูดิเขาจะไม่มีแผนอื่นๆในการที่จะทำลายท่านนาบีแล้วก็ทำลายดาวะของท่านนาบีสุลั่านวะเลยท่านพอท่านนาบีได้ประสบความสำเร็จในการอพยพไปอยู่ที่มัดีนาะ จบละพลอำนาจของชาวมกกาไปแล้วท่านน บ, บีก็อิสระแล้วในการที่จะเผยแพร่ในการที่จะนำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลามโดยที่ไม่มีใครสามารถกีดกันท่านได้ชาวกุดิชจะปล่อยไหมก็ไม่ปล่อยก็เลยยกทัพไปสู้รบกับท่านน บ, บีในสงครามบัตร ซึ่งการยกทัพในสงครามแต่ละสงครามเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็มีนะในสงครามบัทรกท่านนาวีได้จับกลุ่มเบาะแสะของกุเรชที่เขาทำงานเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าทหารของของชาวมักการมี ก, กี่คนเขาก็ถามว่าเชือดอูดกันนะ่ะกี่ตัววันละกี่ตัว เชือดอูดวันละกี่ตัวอันนี้จะได้จะได้รู้ว่าเขาก็ลงทุนนะเขาบอกว่าเ ช, อชือดอูดวันละเก้าถึงสิบตัวท่านนาบีก็เลยสนิฐานว่าเพราะอูดหนึ่งตัวนี่ก็กินกันประมาณร้อยคนทานบีก็เลยสนนิฐานว่าเก้าร้อยถึงหนึ่งพันหนึ่งพันคน ซึ่งศักยภาพของท่านนาบีในการที่จะทำเหมือนเขาเนี่ยไม่ได้เลยแล้วท่านนาบีกินอะไรสยอะมากผัพลําแบ่งกันคนละคนละสิบเม็ดคนละห้าเม็ดอย่างเงี้ยซึ่งต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ดูนาชาวมักกะนี่เชื่อดวัน ล, ละอูดวัน ล, ละสิบตัว อูดนี่นะแพงกว่าวัวนะอูดนี่แพงกว่าวัวนะอูดนีถ่ถ้ากินกันร้อยคนเนี่ยก็ต้องเป็นอูดตัวใหญ่ละก็เท่ากับวัวตัวหนึ่งประมาณหนะ้าหมื่นหกหมื่น่ะแต่ถ้าเป็นอูดเนี่ยราคาน่าจะแพงก็น่าจะเกือบแสนหนึ่งละก็หมายถึงว่าเชื่อสิบตัวนี้ก็น่าจะวันละหนึ่งล้านบาทมีแค่อาหารอย่างเดียวนะ่ะ ี่ลงทุนนะวันหนึ่งนะวันหนึ่งกินเลี้ยงอาหารพันคนดอนเป็นนักรบแล้วก็ไม่ใช่นักรบธรรมดานะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีฐานะที่มีอำนาจในชาวมักกานี่ก็ไม่ได้กินอะไรขี่เล่นนะ ก, ก็ต้องกินของดีนี่ขนาดเลี้ยงแขกที่มาเยือนกาบ้านนี่เขายังเลี้ยงขอ ง, ของดีเลย เขาเาต้องลงทุนที่ลงทุนสงครามบ้าแต่เสียสงครามแพ้สงครามถ้าจำได้นะที่เขายกทัพจากมักกาเนี่ยเพื่อไปสู้รบกับนบีและปกป้องคาราวานธุรกิจของอบูซุบยานที่มาจากเมืองชามจำได้ไหมเปราก็ดวคาราวานนี่รอดและอัลลอฮ สัตดีดกำหนดให้ทหารของท่านนาบีได้ประท้ากับทหารของของมักกะเพื่อจะได้พ้นข้อหาว่านาบีจะสู้รบเพื่อรัพย์สรนเพื่อสตังค์ใช่ไเพราะคารวาล น, นี้รอดแล้วและกองทัพของกูรีนเนียแพ้สงครามกลับไปมักกะแล้วเนี่ย แม่ทัพผู้นำสงครามเนี่ยที่สูญเสียคนสาคัญในสงครามช่นาุลลออบดบี์อเข้าเนี่ยเสียในสงครามบัตรซัฟวานอิบเนอุมัยอะผู้เขาเนอุมัยอิบเนขัลล์เสียชีวิตในสงครามบัตรไอครีมาอิบเนอบดุลเจฮ์ไอครีมาอิบเนอบดุลเฮ์ผู้เขาเนอับูเจฮ์ก็เสียชีวิตในสงครามบัต สามคนเนี่ยก็ไปหาอบูซุฟยานอันนี้หลังจากสงครามยุติแล้วนะไปหาอบูสุฟยานบอกว่าเนี่ยที่เราออกมาปกป้องคาราวานของท่านและธุรกิจของท่านแล้วก็นักธุรกิจที่ร่วมกับท่านเนี่ยเราขอให้กำไรที่ได้มาจากธุรกิจสินค้าที่นำมานำมาในคาราวานเนี่ย บริจาคไปบริจาคเพื่อจะตั้งกองทัพไปแก้แค้นมุฮัมมัดอบูสุฟยานเห็นชอบก็เลยรวบรวมนักธุรกิจใครๆที่นำสินค้ามาได้กำไรนี่ก็เอากำไรนี่มาบริจาคบริจาคเพื่อสู้รบ ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิลอับดุลล์มอบบาสได้รงานบอกว่าเนี่ยนี่คือการบริจาคของเขาในหนทางทำลายล้างอิสลามที่สุดไม่ประสบความสำเร็จ บางรายงานบอกว่าอาย่นีไม่ได้ถูกประทานลงมาหลังสงครามบาเดรไม่อาย่นีหมายถึงว่าที่เขารวบรวมเงินบริจาคเพื่อเพื่อตั้งกองทัพไปปกป้องคารวาลของอบูสุเวีนที่มาและที่สุดเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จจะเป็นรายงานใดก็ตามเหตุการณ์การทุ่มเทของ ศัตรูของท่านนบีในการที่จะทำลายลาอิสลามนะอันนี้มีมีมาแล้วอัลลอฮฺ س ب ح แะตาลนํามาเป็นอุทาหรณสอนพวกเราไว้ในอายะที่สมสบขในพระธรรดับอุ้มตะวาอฺบุลลอฮฺมินัลรรมอินนัลละีน่าคฟรูยุมฟิกูณอ๊วาลฮฺมลิยาซดูอันสับลิลลา ي a s a y u n f q u َ n h a ث م จะ ك و ن ع ل ي ه م ح س ر ة ث م ي غ ل ب و ن و ا ل ذ ي ن ك ف ر إ ل ى ج ه ن م ي ح ش ر و ن إ ن ا ل ذ ي ن ك ف ر y u n f q u ้ n t a t i m b a n d a u p a t i s ส s t h นั้นพวกเขจะบริจาคทรัพย์สินของพวกเขาที่จริงการใช้จ่าย ในแนวทางที่มันไม่มีความในแนวทางความชั่วมันไม่ควรใช้คําว่าบริจาคบริจาคซื้อเหล้าเข้ากันไหไปไปได้ไหมเฮ้มาบริจาค ก, กันซื้อเหล้าไปได้ไหมเฮ้บริจาคมามาซื้อบุหรี่กันหน่อยได้ไหมบริจาคนี่ไว้ใช้ในในหนทางที่ดีเห็ใช่ปะ แล้วทำไมอ uh ัลลอฮ์ใช้ยุ่มฟีกู้นะฟังนะว่าบริจาคพวกเสียสตานนะ่ะพวกเขาจะบริจาคท ร, รัพย์สินของพวกเขาเพื่อขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลลอฮ์ยักทางที่ดีที่เขาจะบริจาคแต่ทำไมอ uh ัลลอฮ์ใช้ยุ่มฟีกู้นะบริจาคล่ะ <c oughs> เพราะภาพเนี่อัลลอฮ์ต้องการเทียบ เปรียบเทียบสองภาพภาพของนาวีและซาฮาบะที่เขาบริจาคท ร, รัพย์ของเขาในหนทางอัลละฮฺยูฟิคุนะอะมัวร์แล้วฟีเซบีลินแหละบริจาคท ร, รัพย์ของเขาในหนทางอัลลอฮฺตรงกันข้ามานะผู้ปฏิสตานเนี่ยบริจาคท ร, รัพย์ของเขาเพื่อขัดขวาง ผู้คนให้ออกจากทางของ Allah. อัลลานเบิลละอัลลอฮฺ Allah อยากจะให้เราได้เห็นภาพไงก็เลย ย, ยืมกริยานี่มาใช้ทั้งสองฝ่ายถึงเขาจะเจตนาเพราะแน่นอนใครที่เขาทำความชั่วนี่บางทีเนี่ยเขาก็เจตนาดีของเขาอะนะแต่มันไม่พอมันไม่พอที่จะ สร้างความชอบอ่ะแล้ว น, นี้สุราบางสุราฝ่ายปฏิคมอ่ะก็จะขอเบอิกเงินซื้อกันชาซื้อบุรีกระดิ่งแดงนะทำไมอ่ะแจกแจกคนช่วยงานสุรากันเงินที่ขอเบอิกเนี่ยก็มาจากเงินบริจาคเนี่ย มันจะอ้างได้ไหมว่าเป็นงานสุรามันจะอ้างได้ไหมว่าเราอยากจะทำบุญจัดงานอาจจดงานมีร้านค้าร้านมาขอขายบุหรี่เนี่ยขอขายซีดีเพลงหนังจีนหนังฝรั่งเนี้ยเอาเฉินเลยละอะไรได้เข้ามัสยิดมันอ้างได้ไหม จะอ้างความชอบเพราะในหนทางของ Allah แต่ไอเงินไอทรัพย์นี่มันไม่ใช่ไงทรัพย์นี้มันไม่ใช่เช่นเดียวกันจะอ้างว่าเจตนาดีไอใครเนี่ยเขาก็อ้างว่าเจตนาดีแต่เป้าหมายนี่มันไม่มีความชอบเจตนานี่มันก็ไม่ช่วยที่จะสร้างความชอบฉะนั้นผู้ศรัทธาที่สำคัญที่สุดเนี่ย ในการตรวจสอบอา말การงานพฤติกรรมของเขาเนี่ยหนึ่งในตัวงานนะต้องดูหลักการพอผ่านแล้วเนี่ยอันนี้ขั้นตอ น, นที่หนึ่งดูงานก่อนงานเนี่ยมันถูกต้องไหมพอผ่านแล้วเนี่ยกระโดดมาหาเรานี่นะแล้วก็มาดูเจตานาค เพราะบางทีนึ่งานเนี่ยมันมีความชอบละถูกต้องละถูกต้องตามหลักการละแต่เจตนาเราไม่ดีมันก็ทำให้การงานไม่ดียุยดีงานดีนะแต่เจตนาเราเนี่ยใช้งานดีเป็นเครื่องมือเป้าหมายอื่นไม่ดีมีงานแล้วก็มีคนที่ทำงานตัวงานเนี่ยต้องมีความชอบโดยหลักการ และตัวเราเนี่ยต้องมีเจตนาที่ดีที่มีความชอบโดยหลักการเช่นเดียวกันสองอย่างนี่ได้แล้วนะ่นนะงานนะั้นจะถูกตอบรับอย่างแน่นอนฉะนั้นที่อัลอฮ์ที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮฺสะเวกว่าอินมัลอามาลุบินเนียตแท้จริงนั้นการงานขึ้นอยู่กับเนียตอันนี้อ้างกันเหลือเกิน เอะทําอะไรเออขึ้นกว่าคือเนียดคือการงานที่มันถูกต้องแล้วฮะไม่ใช่สุบุรีเอ้ยบางอยู่ที่นียดอยู่ที่นี่อยู่ที่หัวใจเนีอเอ่ยฮะอ้างกันเลือเกินฮั ด, ดีิเนี่ยอ้างกันในทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องงานที่มันบาปอ่ะงานที่มันไม่มีความชอบเลยไม่ได้ต้องดูถ้างานอ่ะมันบาปขอให้เรานียดดีนะมันก็บาเพียนเกียมั้งนะเราก็ไม่ได้บุญไม่บาปตลอด แต่มราจะงบอกว่าเขาเนยบริจาคเป้าหมายของเขานี่คืออะไรถึงเจตนาของเขาเนี่ยสามขนอับดุลลาห์เนี่ยอับดรับีอัตอะบเนมอับดุรบีจานซฟวานบเนอุมัยยะไปบอกกับอูซุบยานีบริจาคดิเพื่อทําไมอ่ะแกแค่งแกแค่งใครอ่ะนั่นแหะแกแค่งพ่อคนนี้ลูกคนนึงที่สูญเสียไป เขาเขาคิดว่าเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องกตัญยูกตัญญูกับคนที่สูญเสียเออเขา้าเข้าใจนะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดีและการปราบมุฮัมมัดในฐานะที่เป็นคนที่มาสร้างความแตกแยกในหมู่คณะของเขาเนี่ยเขานึกว่าเขากําลังทําความดีแต่ที่จริงอัลลอฮฺบอกว่าผลของเขาเนี่ยก็คือขัดขวางผู้คน ให้ออกจากทางของอัลลอฮฺสุบไนฮฺอันนี้ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดสําหรับคนที่กลัวอัลลอฮฺจริงๆเพราะในความขัดแย้งนี่ระหว่างในสังคมมุสลิมด้วยกันนะเราไม่พูดถึงความขัดแย้งระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิม เพราะแน่นอนมันไม่มันจินตนาการไม่ได้ว่ามุสลิมจะอยู่ฝ่ายคืออคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะเชิญชวนสู่ทางของอัลลอฮ์แล้วก็มุสลิมจะขัดขวางคนให้ออกจากทางของอัลลอฮ์นี่มันจินตนาการไม่ได้อ่ะแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงอ่ะนะซึ่งมเป็นไปได้เหมือนกันนะแสดงว่ามุสลิมคนนะั้นไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วแต่เรากำลังพูดถึง เหตุการณ์ความขัดแย้งที่มักจะมีการแอบอ้างความชอบความชอบในการทำลายฝั่งตรงข้ามโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบว่าที่ทำลายฝั่งตรงข้ามเนี่ยผลที่สุดของมันเนี่ยคือขัดขวางคนให้ออกจากทางของอัลลอห์ไม่ ทำไมอ่ะเพราะบางทีเนี่ยความขัดแย้งระหว่างระหว่างมุสลิมด้วยกันนะนะมันอาจจะเป็นความขัดแย้งด้านศาสนาหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งมีเรื่องของดุนยาของโลกอยู่อยู่ด้วยแต่เรามักจะได้ยินเวลาขัดแย้งกันเรื่องดุนยาเนี่ยจะไม่มีเหตุผลเรื่องดุนยานี่ จะอ้างจะอ้างบ่อยส่วนมากก็จะอ้างเรื่องศาสนาความชอบธรรมก็เหมือนชาวมุกกหเนี่ยก็จะอ้างเรื่องศาสนาว่าเขานี่เป็นคนที่ดูแลกะ บ, บ้างแล้วมุฮัมมัดนี่มุฮัมมัดนี่ยมาทําลายมาสร้างความแตกแยกมามาทําลายชื่อเสียงของปูญาตายายขอ ง, ของเขาคืออ้างเรื่องคือเรื่องเรื่องมารายาเรื่องศิลธรรมะ คนเราในสังคมนี่ก็จะมีแบบนี้เวลาขัดแย้งกันแล้วก็ทำลายกันนะไม่ดูบ้างคนที่เรากำลังทำลายเขาเนี่ยผลที่จะตามมาเนี่ยคือขัดขวางคนให้ออกจากทางศาสนาทางอัลลอฮ์ไหมเช่น ยกตัวอย่างเช่นมีความขัดแย้งส่วนมีความขัดแย้งกับต๊ะครูสอนกุรานสมมติในตำบลนั้นะไม่มีคนสอนคุรานนับโต๊ะครูคนนั้นนะแล้วต๊ะครูคนนั้นเราขัดแย้งกับในเรื่องในเรื่องผลประโยชน์เอาให้ติดคุกเลย มันมีความชอบธรรมไหมที่เราจะแก้แค้นหรือจะทำลายบุคคลเหล่านั้นซึ่งผลที่จะตามมาเนี่ยเราเนี่ยเอาได้แล้วติดคุกเราก็สะใจแล้วหรือเราได้ประโยชน์ของเราเนี่ยได้แล้วโสดตัวตัวครูกม็มาเช่าบ้านไม่มีตังจะจะจะจ่ายเราก็ไปฟ้องเขาจนเอาให้เอาคืติดคุกแต่มาเอาเราก็สะใจแล้วก็ได้แล้วแต่ส่วนที่แต่ผลที่ตามมานี่ก็คือ ไม่มีคนสอนคุรอารอันนี้อันนี้ใครจะรับผิดชอบบางทีก็ต้องช่างอันนี้เราเราไม่ได้พูดถึงความผิดในบทบทแต่เรากำลังช่างความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมภาพตรงข้ามถ้าบางทีเนี่ยอตโศตคุคูเนี่ย <c oughs> กับนักธุรกิจคนหนึ่ง ฟ้องนักธุรกิจเพราะอะไรเพราะไอ้นักธุรกิจนี่ไปยืมเงินโตคู่แล้วโตคูนี่ไปฟ้องธุรกิจนี่นะว่าไอ้นี่มันไม่จ่ายดอกเบี้ยเอาให้ติดคุกเลยแล้วติดคุกประสบความสําเร็จใช่ไหมใช่แต่คนเขาก็จะพูดกันว่าเอาโตคูเอาคนติดคุกจะกินดอกเบี้ยเหรอฮะคนก็ขุ่ยไหมคนก็หลงออกออกจากทางหัวเราะไหม เห็นไหมทั้งทั้งดีเวลาดูแล้ววะนะเอา้าก็ก็เขาถูกก็ไอ้นี่มันมั น, มนไปกู้เงินทําไมไม่ไคืนดังเขาทำไมมันมันจะมีเหตุผลที่สังคมเขาจะบอกว่าก็ก็ก็เขาถูกไนงะแต่เวลาช่างแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ที่เราต้องการทําลายฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราช่างไหมระหว่างระหว่างสิ่งสิ่งที่มันมันควรเกิดขึ้น และสอดข้องกับหลักการศาสนาไม่ทำลายหลักการสาสนาไม่ทำลายศิลธรรมไม่ทำให้คนเขวไม่ทำให้คนหลงทางไม่ทำให้คนเข้าใจผิดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดไม่ค่อยไม่ ค, ค่อยคิจิตกันหรือพิจารณากันในเวลาเกิดปัญหาในสังคมที่สุดเนี่ยเราก็จะเราก็จะทำลายฝั่งตรงข้ามเอาให้สะใจเอาเอ า, เอาถึงที่สุดเลย แต่เราไม่มองดูว่าเออมันมันจะถึงมันจะถึงจุดที่เรากำลังทำลายศาสนาให้คนออกจากทางขององค์โดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าแ่ในทำนองนี้แหละครับผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาทำอะไรที่มันผิดหลักการศาสนาในที่สาธารณะและจะถูก หยิบยกมาอ้างวันนี่คือพฤติกรรมของผู้ศรัทธาและมีโอกาสที่คนจะเข้าใจว่า อ, อ้าแสดงว่าศาสนาของผู้ศรัทธานี่สอนให้ทำสิ่งที่เลวร้ายแบบนี้ด้วยหรือทำให้คนเนี่ยมองศาสนาของผู้ศรัทธาเนี่ยในแง่ที่ไม่ดี พฤติกรรมของเขาเนี่ยแน่นอนเป็นพฤติกรรมส่วนบาปเขาทำบาปคนเดียวแต่บาปที่เขาทำเนี่ยโดยเงื่อนไขประกอบเนี่ยเช่นทำในที่สาธารณะหรือขณะเข า, ขาทำเขาเป็นตตครูอย่างเงี้ยโตครูแล้วก็ทำอา้า ค, คนก็คนก็ต้องเข้าใจผิดดิและการสร้างความเข้าใจผิดให้คนเผลอหรือหลงหรือออกจากทางองลัลลอฮฺสุบาร์ราะวะลา สิ่งที่น่ากลัวที่ผมบอกข้างต้นเนี่ยที่น่ากลัวมากดีมุสลิมเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เนี่ยขัดขวางทางของอัลลอ์อย่าสุดดูนะอันสบีลละโดยไม่รู้ตัวอันนี้เนี่ย เ, เรื่องที่พวกเราต้องต้องกลัวมากต้องต้องมันตรวจสอบกันให้เยอะเราอย่าได้ มาวันเกียร์มาเนี่ยเป็นคู่กรณีของมูนาบีนะโดนข้อหาว่าขัดขวางอิสุบดุนานสบีละขัดขวางหนังดัหอ่อนยังไงอ่ะกับพฤติกรรมของตัวเองนี่ทําให้คนเนี่ยไม่เอาศาสนาทําทให้คนเกลียดศาสนาทําให้คนนี่ออกจากศาสนาซึ่งเรื่องนี้ในสังคมของเราดีกรมมีเยอะและหลายรูปหลายรูปแบบ มี่าเราอะหลายรูปแบบที่มีอะนะแล้วก็ะเตือนพวกเรากันให้ให้ดีให้ช่วยกันตักเตือนกันให้เยอะมุสลิมไปตำ ง, งานกับมุสลิมะเวลาผิดหวังกันมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นหรอกมุสลิมกับมุสลิมะไม่มีใครจะบอกว่าเอ้ยนีน่นี่นา แต่บางทีเนี่ยถ้าเป็นโต๊ะครูถ้าเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยเ อ, อ่อแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงแล้วก็ทําไม่ดีอ่ะทำก็คือ ก, ก, ก็ทําให้คนสามัญชนที่เขาไม่เคยเคร่งศาสนาหนี่พราะเขามาเห็นโต๊ะครูเห็นคนที่ควรนี่จะเป็นคนเคร่งศาสนาเป็นแบบนี้อะนะก็ก็จะอาจจะเป็นโอกาสที่จะแบบว่าเฮ้ยถ้าศาสนาแบบนี้อะนะฉันไม่ต้องเข่งก็ได้ อย่าเค่งดีกว่าถ้าพวกเค่งเป็นแบบนี้นะกูอย่าเค่งดีกว่ามีคนพูดแบบนี้จนะำนวนนี้เลยเฮ้ยจะเค่งทำให้ให้พวกมึงแบบแบบนี้นะกูไม่เค่งดีกว่าอแต่อันนี้เนี่ยไม่ไม่เคยเกิด ท, ที่ที่เกิดขึ้นเยอะอนะก็คือมุสลิมไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วมารับอิสลามโดยที่เขามองว่ามุสลิมเนี่ยน่าจะดีกว่า ไม่กินเหล้าไม่ติดยาครอบครัวมุสลิมเนี่ยเขาดูแลครอบครัวดีกันคือเขาอาจจะเห็นภาพในสังคมมันะที่เขาดินมาหรืออาจจะฟังจากคำพูดของผู้ชายที่เป็นมุสลิมมาะคำพูดที่ดีงามหรืออาจจะเห็น มุสล right. ิมส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นจริงอ่ะไม่ใช่เป็นคนที่ชอบเถี่ยวกลางคืนไม่ใช่อะไรใช่ไหก็แต่งงานหวังว่าเขาจะชีวิตเขาจะดีกว่าถึงขั้นที่เขายอมที่จะรับ伊斯兰แต่ที่สุดก็ไม่ถึงขั้นที่จะเจอสามีที่ไปกินเหล้าไปดิดยาไปเที่ยวกลางคืนอ่ะไม่แต่ไปเจอสามีที่ทุ สามีที่ไม่รับผิดชอบไม่เอาไหนไม่ดูแลไม่อะไรเงี้ยไม่ยุติธรรมคือทำอะไรมีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้คนไอ้ทำไมทำไมศา ส, ะสะนาตัวเองให้ตัวเองเป็นแบบนี้อแล้วก็บางทีถึงที่สุดเนี่ยว่าผู้หญิงเนี่ยบนอะไรนิดนึงไอ้คนนั้นก็เป็น แบบว่าเป็นมุสลิมธรรมดาธรรมดานะเป็นคนขี้หุดหินอะ่ะเจอเจอผู้หญิงขี้บ่นแบบนี้นะอะยากไปเลยไอ้คนนี้ก็เลยช็อกเลยอยากง่ายอย่างนี้เหรอพราะเขาเข้าใจว่าไอ้เรื่องการมีครอบครัวนี่มันมันริกใหญ่อ่ะเขาเชื่อไอ้บางอย่างง่ายกันอย่างงี้เลยเอะทําให้เขานี่อาจจะเขาเข้าศาสนาแล้ว่นะทําให้เขาอาจจะต้องออกจากศาสนาเรื่องนี้ มีอะ่มอะมีมอะไหมมีอะถ้าหาสาเหตุใครรับผิดชอบอะ่ะก็คนที่ทำให้คนผิดหวังคนที่เห็นว่าศาสนาเนี่ยไม่ควรที่จะยึดมั่นไม่ควรที่จะเหนียวแน่นกับมันพอพฤติกรรมของเขา Allah เตือนเรื่องนี้ในคุตตาในยันนี่ผมพูดอยู่เสมอนะครับในสุรตะนะเวลาจะจะคิดดูไอมานกุมจะขอลำไวยนกุมพวกเจ้าอันนี้เรายกตัวอย่างพวกเจ้าอย่าเอาเรื่องคำสาบานมาชี้ถึงความความซื่อสัตว์ก็ราตอนก่อนนู้นนะใครที่อยากจะยืนยันนะว่าเขาพูดจริงเขาสัต์จริงนะเขาสาบานมาบอกว่า อย่าเอาเรื่องสาบานนี่มาเป็นตัวชีวัดเลยฟาตซิลล์ก็ดำมุนบาดะซูบูติฮ์พราอได้เห็นพวกเจ้านี่สาบานเอาวลอฮีเอาวะลอฮีเอาสาบานเอาสาบานเอาแต่ที่จริงเนี่ยมันมันมันไม่ได้ีทั้งหี่นมันมันมันเขวหมดเลยอ่ะวลอฮีวลอฮีเอไปไหนในที่สาบานวะลอฮีวะลอฮีไม่ใช่เลยอะฟาตซิลก็มุนบาดะูบูามัย เท้าอันนี้เป็นสำนวนเท้าของคนหนึ่งคนใดเนี่ยสะดุดหลังจากที่ได้มั่นคงแล้วหมายเท้าตรงนี้หมายถึงว่าเขาได้เข้าอิสลามแล้วมั่นคงในอิสลามแล้วแต่พอเจอพฤติกรรมเพียงพฤติกรรมคนที่เอาคําสาบานมายืนยันในความสัจจริงแต่ปรากฏว่ามันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอ่ะนะเขาก็หวย จลละเดินล้า ด, ด้วยังทีทวดีว่าจะดูกุณลวกเจ้านี็จะลิมอส่ะลิมความเลวร้ายบีมาสอ ด, ดตุมงานสบีลิลลลิมความเล ว, เลวร้ายซึ่งเนื่องจากที่พวกเจา้าขัดขวางคนจากทางออนไนเราเนี่ยแค่สาบานเทพนะ แม่จะบอกว่าแค่นะที่จริงเนี่ยมันก็บาปใหญ่แล้วสาบานเท็จนี่บาปใหญ่แต่บางทีน่ยคนก็าบอกอย่างงั้นนะวันลอยวันลอยง่ายเหลือเกินแล้วก็ผิดสาบานอ่าไม่ต้องผิดสาบานนะสัญญาแล้วก็ผิดสัญญาง่ายๆอะเขาเนี้ก็เป็นเรื่องง่ายแต่นบีบอกว่ามันเป็นสัญญาณของมูนาฟิกอิจาว่าจะอัคลฟถ้าสัญญาผิดสัญญา สัญญากับสาบานนี่มันก็ใล้เคียงกันแล่ะสาบานนี่ใช้อลลอห์ใช้พระนามของออลลอห์นี่มาอ้างยืนยันแต่สัญญาเนี่ยไม่ได้ใช้คําสาบานไม่ได้ใช้พระนามสัญญาป่ะโอ้ตัวสัญญาสาบานเขาใช้กี่นิ้วนะเวลาเขาสาบานอย่างนี้ป่ะยังไงอย่างนี้ใช่ป่ะเอออย่างนี้เหมือนกันสาบานสาบาน เออถ้าสาัญญาสาัญญาสาัญญาสัญญาสัญญาสัญญาศาสาบาล น, นี่นะมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแตส่สาบาสนนี่อันนี้ในศาสนาอิสลามเนี่ยประกอบด้วยพระนามอัลลอฮิมอัลลอฮ์ามาอั้งฮะสัญญาไม่มีแล้ <c oughs> ีบอกว่าไม่ต้องมีสาบานไม่ต้องสาบานจะได้เป็นมุนาฟิกแค่สัญญาเิดสัญญาสัญญาเป็สัญญาสัญญาเป็สัญญา แต่ยาตุลมุนาฟิกเป็นสั ญ, ญลักษณมุนาฟิกแหละไม่ถึงถึงการสาบานนะมราเจอกันบ่ายสองนาทีสองกว่าจะมาครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรฝนอาจจะตกอะไรเนี่ยแต่ครั้งสองครั้งสามครั้งบ่ายสองมงคูณเท่าไหร <laughs> เ่เพื่อนจะถามเลยบ่ายสามคูณเท่าไหร่คือจะ รู้แล้วมันไม่เคยตรงกันไงไม่เคยตรงเลยต้องคูนเท่าไหร่บ่สามนี่ก็ต้องบวกเออถ้าแบบว่าไกลเคียงก็บวกถ้าแบบถ้าแบบี่ แ, บบแย่มากก็ต้องคูนนี่ลองคิดดูสิแค่สัญญารักความเป็นมนุษย์เนผิดสัญญาสัญญานะแค่สัญญาไง وإذا وعد أخلف ฉะนั้นในการทุ่มเท อ, อะไรไ ม, ไม่ต้องขั้นไม่้งขั้นทุ่มเทในการบริจาคใช้จ่ายทรัพย์สินในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่บั้นปลายของเรื่องนั้นนะ่ะมันจะทำให้ขัดขวาง ให้คนออกจากทางของอสุภานอห์ดานั่นนะอัลลอฮ์กำลังบอกกับเราอะยกอุทาหอนที่เกิดขึ้นในสงครามบัดรลและอุฮุดเนี่ยนะว่ามันจะไม่มันจะไม่สำเร็จฟาซายุมฟิกูนะฮาที่เขาบริจาคเพื่อขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลลอ์แล้วพวกเขาก็จะบริจาคมันต่อไป ภายหลังทรัพย์สินนั้นก็จะกลายเป็นความเสียใจซุมมาตะกูนลอะลัยหิมฮัสรอใช้จ่ายทรัพย์ในหนทางอันที่จะนำมาซึ่งการขัดขวางหนทางอลอลน้อมเนี่ยมันจะกลายเป็นความเสียใจสําหรับซุ้ ม, ม uh u, วายุกละบูและพวกเขาก็จะได้รับความปราชัยด้วยสองคม บัตรก็ก็แพ้สงครามอุฮุดเขาก็ชนะแต่หลังจากนั้นน่ะเขาก็แพ้ก็จะแพ้เหมือกันไม่ประสบความสำเร็จสุดๆร้อนๆสุดๆร้อนๆเลยประธานาธิบดีฝรั่งเศสแมครอนไม่ต้องอภัยนะครับถ้าอ่านชื่อผิด พอชื่อคนเนี่ยไม่มีนักข่าวอ่านทุกเลยเาบางคนก็บอกว่า m ม c ครอน c อ o macro m มะค ร, ร, ร, รอะไรเงี้ยอะมันไม่ใช่สายบุคลีสต์ดิมันไม่ใช่นักเรียนงานสติ่ตรงมรนนั้น m a นี่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์หนึ่งอะ ประเทฝรั่งเศสนะอัตราการเติบโตของมุสลิมสองด้านคนฝรั่งเศสแท้ๆนะที่ราบอิสลามนะที่รับอิสลามนะลมนะแล้วก็คนมุสลิมที่เขามีบุตรให้อัตราเติบโตที่ที่มันมีอยู่เนี่ยนะมาบวกผนวกผนวกกับอัตรา ลดอัตราขดของสังคมคริสต์ซึ่งซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยใช่ส่วนมากเป็นคาทอลิกกันนะส่วนมากโดยโดยโดยคนเรียกอะไรอะโดยสายเลือดนะะ เ, เป็นเป็นประเทศคาทอลิกแต่ที่จริงเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่คยไม่ค่อยนับถือศาสนานกันหรอกแต่เขาเขาจะอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นคนเป็นชาวคาทอลิกเป็นเป็นคริสตคริสต์นิกายคาทอลิก ส่วนมากกันในสังคม嘛นะสังคมกาทอลิกหรือคริสตเนี่ยเขาก็กลังโหดโหดเพราะอะไรเพราะส่วนมากเนี่ยชาวฝรั่งเศสเนี่ยไม่อยากมีครอบครัวไม่อยากมีครอบครัวมีมีมีแบบมีเมียมีเมียมีมีเมียมีสามีมีภรรยามีสามีนี่แหละแต่ไม่อยากมีลูกแล้วถ้าจะมีลูกล่ะก็ พอดีพอดีคนสองคนงนี้เป็นเนื้อายของเขาไงทําไมอ่ะเสียทรงอันนี้เหตุผลอะไรคือถ้าท้องเยอะขนาท้องเยอะเนี่ยมันเสียทรงแล้วก็ไม่รู้จะเลี้ยงไงไหนจะประกันสุขภาพไหนจะเร่าเาร่าเรียนยงแต่มุสลิมเขาไม่มีเชื้อแบบเขาไม่เขาไม่ต้องอยู่กันแบบนี้ไงแสดงว่าเขาไม่ได้คิดแบบคือคือกลไกลอ่ะ ในการคิดนตะเขาไม่ได้คิดแบบเขาไม่ได้เชื่อแบบนี้นอกจากนั้นอ่ะนอกจากว่าที่เขาไม่อยากมีครอบครัวอ่ะพวกไอ้คู่ชีวิตที่แบบว่ามันไม่มีโอกาสที่จะมีลูกอยู่แล้วอ่ะคู่ชีวิตเพศเดียวกันอะไรแบบเนี้ยหรือแบบแบบอยู่แบบไม่ต้องมีคู่ชีวิตเลยอยู่แบบเนี้ทดลองไปเรื่อยก็มีอันนี้มีเยอะมากเริ่มเป็นลทัทธิแล้วนะก็คืออยู่แบบไม่ต้องมีคู่ชีวิตนะ่ะ เอาแล้วก็ยังไงก็มีแฟนเรื่อยเบื่อกับคนนี้เนี่ยก็ไคนนู้เอาคนนู้ก็บเอันนี้แบบนี้เป็นละทิแล้วในสังคมตะวันตกแบบนี้เนี่ยสังคมก็เลยมีอัตราโหดไม่ใช่อัตราเติบโตแล้วมุสลิมไม่ใช่ว่าเติบโตแบบไม่มีคุณภาพนะไม่เติบโตแบบมีคุณภาพมุสลิมะ เกิดจากพ่อแม่ที่ดั้งเดิมเป็นชาวฝรั่งเศสดั้งเดิมเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสรับอิสลามแล้วก็ไม่มีบุตรสาวบุตรสาวนี่เข้ามาหัวใจอะไรก็เป็นมุสลิ ม, ม่าที่เคร่งคัดคุมฮีจาบยังเรียบร้อยเรียนเก่งเคลื่อนไหวเก่งบริการนักศึกษาเก่งถูกเลือกเป็นหัวหน้า เป็นเขาเรียกอะไรเป็นประธานชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยโซโบนปกติแล้วจะมีกิจกรรมหัวหน้าชมรมมหาอะไรดังๆเนี่ยเขาจะให้เข้ารัฐสภาแล้วก็ปราศัยพูดถึงความต้องการของนักศึกษาให้ผู้แทนรัศดรได้ฟัง พอนักศึกษาเนี่ยเขาก็เหมือนรัษดรนอันนี้ประชาธิปไตยในโลกของอุดมมคติในในโลกของเราอ่ะนะที่มีอยู่แต่แต่เราไม่ไม่ค่อยเห็นในะบ้านเราไม่ค่อยเห็นมากนั้นผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข้าไปในสภาปรากฏว่ามีกลุ่มนึ่งพวกละทิขวาจัดเนี่ยออกจากสภา ไม่ยอมอยู่ในสภาพเพราะมีมุสลิมอะเพราะมีชาวฝรั่งเศสที่เคร่งครัดคุมมีจาบอันเป็นภาพที่มันไม่สอดคล้องกับรสนิยมของสังคมฝรั่งเศสเขาพูดอย่างนั้นซึ่งพวกเนี้ยพวกที่ออกเนี้ยก็จะมีพักหัวหน้าพรกกันเนี่ยําลังแข่งขันกับแมกครอนเนี่ยอีกปีกว่าเนี่ยจะเลือกตั้งใหม่ประธานาธิบดีและแมกครนเนี่ยต้องการดึงเสียงพวกขวาจัดเนี่ย เขาก็เลยเสนอร่างกฎหมายเขาเรียกละกดร่างกฎหมายละลายพฤติกรรมคนต่างชาติคนต่างชาติที่ที่มาได้รับสัญชาติหรือคนฝรั่งเศสที่นับถือศาสนาอื่นคือละลายพฤติกรรมคนให้ให้กลมกลืนน่ะเป็ น, เ ป, นเป็นคนที่ยอมรับในรสสนิยมของฝรั่งเศสในกฎหมายนั้นนะ่ะก็มีเรื่องฮิญาบเรื่องสอน เรื่องสอนดนตรีสอนเรื่องเต้นในโรงเรียนอะไรคืออะไรต่างๆที่มุสลิมเขาไม่ยอมอ่ะซึ่งจะมีมุสลิมจำนวนไม่น้อยอ่ะที่เขาไม่ส่งลูกไปเรียนตาม ต, ตามโรงเรียนนะก็เรียนกศนอเขาหมายถว่าเรียนตามบ <The media> ้านโฮมสกูลแล้วนะเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับเรื่องนี้มีเขาจะออกกฎหมายห้ามเรียนโฮมสกูลด้วยทำไมอ่ะครับ ทำไมทาแบบนี้อ่เขาบอกว่าเพราะอิสลามเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะแล้วเขาเขาาแยกดีนะในถ้าในภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยอิสลามกับมุสลิมนี่บางทีเนี่ยมันสลับกันมุสลิมกับอิสลามนี่บางทีในใช้ใช้ในในประโยคเดียวกันเหมือนกันนะค่าเดียวแต่ไมแต่ตะวันตกเนี่ยมุสลิมกับอิสลามเขาเข้าใจดีมุสลิมก็คือมุสลิมนี่แหละคนน่ะ อิสลามนี่ก็คือศาสนาเพราะว่า อ, อิสลามเนี่ยกาลังระสบกับวิกฤตในตัวเองอิสลามมีปัญหาในตัวในตัวคำสั่งสอนเราต้องเราต้องตัดเหมือนใช้คำว่าคล้ายๆว่าเราต้องสังคายนาให้อิสลามนี่สามารถอยู่ได้กับรสนิยมของของสังคมฝรั่งเศส อุ่มเทในการที่จะหาเสียงทำลายศาสนาอิสลามในเวลาเดียวกันน่ะมีมูลนิธิเขาทำงานด้านเด็กและสตรีไปทำงานที่ประเทศมาลีที่แอฟริกาซึ่งส่วนมากพวกนี้ก็จะเป็นพวกมอชเนอรี่เป็นพวกที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์ก็ไปในในนาม องค์กรที่ช่วยเหลือเด็กและสตรีมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโซเฟียก็ไปที่นูน่นทางกลุ่มที่เข้าสู้รบกับทหารฝรั่งเศสซึ่งมาลีนี่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและทุกวันนี้เนี่ยมาลีนี่ก็จะเป็นประเทศที่มีเหมืองทองคำเยอะมากและฝรั่งเศสเนี่ยก็จะ ใช้อิทธิพลเป็นอดีตเมืองขึ้นนะในการที่จะดูดทรัพยากรนะเหมือนหลายๆายประเทศที่มีทรัพยากรแล้วก็ประเทศมาอํานาจนี่ก็ยั ง, ย, งยังแสดงสันดานความเป็นเจ้าของเดิ ม, มเพื่อดูดทรัพยากรของประเทศนั้นน น, น, นนะประมุสลิมเยอะแบบนีย้ยังเป็นแบบเนี้ยแล้วจะส่งพวกแมชชีนอรี่เนี่ยเพื่อเพื่อปรับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นมาจะได้ ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ถูกจับเพราะไปทำงานในพื้นที่ที่มีฝ่ายที่ไม่ชอบทหารฝรั่งเศสก็ถูกจับเป็นเชลยศึกหลายคนนะแมครอนเนี่ยต้องยอมจ่ายสิบล้านยูโรจ่ายสิบล้านยูโรเพื่อปลดปล่อยเชลยชาวฝรั่งเศสที่ถูกจับกลุมจากกลุ่มเหล่านี้ ตัวเองจะได้มาหาเสียงว่าเขาเนี่ยดูแลชาวฝรั่งเศสฝรั่งเศสคนแท้ๆนะอะพอลงมาจากเครื่องบินโซฟีนี่ก็บอกว่าฉันนี่ไม่ใช่โซฟีแล้วฉันนี่มาเรียมแล้วแมคโครนเนี่ยเขากำหนดการของเขาเนี่ยต้อนรับเฉลยพวกเนี้ยแล้วก็ไปแถลงแถลงหาเสียงไงแต่พอเจอ โซเฟียบอกว่าฉันได้เป็นมารยยมแล้วฉันได้เป็นมุสลิมแล้วนะแกเลิกการให้ข่าวให้สัมภาษณ์เลิกกับบ้าเลยชอ็อกอะสดุสดๆร้อนๆเลยนะครับคำตอบของอัลลอฮ์นี่สำหรับคนที่วางแผนแล้วก็ใช้จ่ายเงินเพื่อขัดขวางผู้คนจากทางของอัลลอฮ์นี่นมชัดๆนะนะและสุดท้ายอะพระสซยุวีกูนะ่าเขาก็จะบริจาค ใจจิงทุมาจะคุล ع ل ฮิมพัสระแม่จะตัวายานีไปอา่านไม่ครอนฟงเสียใจซุ้ ง, งมาจะคุล ع ل ฮิมพัสดระนก็จะกลายเป็นความเสียใจแก่พวกเขาแล้วพวกเขาก็จะรับความปรชาชัยด้วยในชีวิตของพี่น้องทุกท่านเนี่ยก็จะเจอลองเป็นไปนั่งคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ ทบถวนเหตุการณ์อะไรต่างๆหรือใครที่มีเวลาไปไปค้นหาในตำรับตำราเนี่ยไม่ต้องเป็นเรื่องของอิสลามก็ได้ขอให้เป็นความขัดแย้งระหว่างสองคนนี่ไม่ใช่มุสลิมแต่คนหนึ่งอ่ะอยู่ในฝ่ายที่ถูกต้องแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะไม่ถูกต้องและพี่น้องจะเห็นนะ หลายเหตุการณ์เลยเอ้คนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะทุ่มเทใช้จ่ายเงินจะทุ่มเทเงินเพื่อทําลายความถูกต้องแต่ในที่สุดเนี่ยคนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะเสียใจและจะพ่ายแพ้ลองไปค้นหาในประวัติศสาสตร์เนี่ยนะก็จะเจออะไรแบบนีน้แต่ข้อเสียของฉากเนี่ย ว่ามันเป็นม้วนยาวหน่อยมันต้องใช้เวลานานบางทีเห็นคนที่ทุ่มเทในการให้คนออกจากหนทางหัวล้านเนี่ยบางทีเนรเขาอยู่นานนะเฮ้คนสูงสงเขาโตเอาโตเอาเป็นสิบสิบปีเนี่ยเป็นร้อยปีเนี่ยบางทีเนี่ยเฮ้เห็นคนที่เขาไม่ถูกต้องเนี่ยทาไมใหญ่โตใหญ่โต การที่จะพิสูจน์ว่าจุดจบของคนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยที่เราสุภาเนวตาระะากาหนดเนี่ยมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องเห็นด้วยตัวเองไม่จําเป็นนะแต่การที่เราได้เห็นการต่อสู้ระหว่างความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องเนี่ยแรงบันดาลใจที่อัลลอฮ์ให้มีกับหัวใจคนที่ถูกต้องเนี่ย ยังจะสู้กับคนที่ไม่ถูกต้องซึ่งคนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยส่วนมากอะส่วนมากนะคนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าเขาไม่มีปัจจัยเนี่ยเขาไม่สู้คนที่ไม่ถูกต้องนี่นะดูดูในชีวิตของเรานี่ก็จะเห็นคนที่ไม่ถูกต้องนี่นะถ้าไม่ถ้าไม่มีปัจจัยอะไรนะไม่เปลืองตัวหรอกเปลืองตัวทาไม ขายาาคากัญชาค้าอา้โอไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีอะไรรองรับอะไรเลยแต่ต้องมีบา ร, รมีต้องมีส่วนมากนี่เราจะเห็นว่ายอมต่อสู้นี่ต่อสู้เพราะเขาต้องรักษาผลประโยชน์ความไม่ถูกต้องอนะั่นหะต้องรักษาผลประโยชน์แต่คนถูกต้องนี่นะเขาไม่มีปัจจัยก็ตาม เขาจะสู้เพื่อยืนหยัดในความถูกต้องถึงแม้ว่าไม่ได้หวังว่าจะชนะแต่หวังในเรื่องเดียวว่าจะไม่ให้ถูกกดขี่ยอมรับในความไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอ้าวเรื่องขายา ไม่มีบารมีไม่มีตังเจอไม่มีอะไรอ่นะเฮ้ยขายไม่ขายเดีอย่าขายน่ะไม่ขายไม่ขายไม่ก็จบไม่เปลืองตัวแต่ทําไมลงทุนนะซื้อเงินซื้อห้าล้านเม็ดอย่างเงี้ยทำไมยอมต่อสู้กันเนี่ยทุกๆวันนี้เนี่ยต่อสู้กับใครอ่ะไม่ได้ต่อสู้กับอํานาจรัฐประเทศเดียวนะต่อสู้กับอานาจ รัสบาลทั่วโลกผลประโยชน์นี่มันขนาดไหนอะธุรกิจอันดับต้นๆของโลกมีกําไรมากกว่าค้าอาวุธมากกว่าค้าน้ำมันนะค่ายเสพติดต้องต่อสู้ไหมมันมันคุ้มกับการต่อสู้ไหมต่อสู้ดิพวกนั่นประเทศต่างๆนี่ยกเป็นเป็นมาเฟียกันเลยอ่ะยอมต่อสู้กันนะแล้วมันถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องมันผลประโยชน์มันคุ้มอ่ะ คุ้มกับผลประโยชน์แต่ความถูกต้องในบางทีมันไม่ไม่ไม่ต้องถึงขั้นที่คุ้มอ่ะมันต้องมีผลประโยชน์ไม่ต้องมีรายได้อะไรเลยยอมต่อสู้เสียสละถึงเงี้เสียสละชีวิตเนี่ยเพื่อเรื่องเดียวอย่าได้กดขี่ชั้นเนี่ยให้ยอมรับในความไม่ถูกต้องของตัวเองแค่นี้ยอมต่อสู้อันนี้พูดถึงว่าในในกรณีไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องอิสลามกับไม่ใช่อิสลามนะไม่เรื่องทั่วไป ความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องเราจะเห็นการการปะทะเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลยคนที่ถูกต้องนี่น่ยจะมีแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้แม้นัวบางทีเขาก็ไม่มีอำนาจไม่มีปัจจัยไม่มีอะไรเลยแต่เขาจะมีแรงบันดาลใจต่อสู้แต่คนนี้ไม่ถูกต้องนะถ้าไม่มีอะไรปัจจัยพวกนี้เนี่ยไม่ไม่ต่อสู้ไม่ไม่คุ้มไม่เสียแต่สิ่งที่ผู้ศรัทธาเนี่ยกลัวมากกว่า มากกว่าเรื่องปลาชัยมากกว่าเรื่องเสียใจมากกว่าเรื่องอะไรอันที่จะทําให้เราเนี่ยไม่บังอาจเลือกอยู่ในตําแหน่งที่ขัดขวางทางอนรัศภาหน้าหัวดาล่ะเนี่ยสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดนี้ก็คือวัาล่าที่นักฟารูอิละเจฮันนัมมยูฮชุรุวัาล่ีนะกฟารูเลมันนับุติบัซิลส์แทนนั้นพวกเขาจะถูกต้อนไปสู่นรกยันนัม กบูบดิเศษสถาที่จะบริจาคทรัพย์ของเขาได้ขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางหรอเนี่ยเขาจะถูกต้อนไปสู่นรกฐานอันนี้เนี่ยที่บูสถาจะกลัวมากที่สุดในอัยะเนี้ยมีบทเรียนสำคัญมากสำหรับมุสลิมทุกคนที่มีสตัง มีทรัพย์ทรัพย์มีเงินมีทองมีมีอะไรที่มีค่าแล้วเราจะต้องบริหารจัดการเงินทรัพย์ของเราอัลลอฮสุบฮานะวะตะละเปรียบเทียบระหว่างคนที่บริจาคในหนทางละซุน ตรงนี้เนียไม่ได้มีเปรียบเทียบให้ชัดนะแต่ Allah ได้ใช้ตัวกริยาเนี่ยตัวคำะที่มักจะใช้กับกับการบริจาคนาฟะก้อนนฟาะสายุ่มฟิฟูนบริจาคนี่บริจาคก็บริจาคในหนทางที่ดีแต่ Allah ามาใช้กับพวกที่บริจาคในหนทางที่ไม่ดีเพื่อให้เปรียบเทียบเนี่มีคนที่บริจาค ทรัพย์ของเขาในหนทางที่ถูกต้องแล้วมีคนที่ใช้จ่ายทรัพย์ของเขาในแนวทางที่ไม่ถูกต้องเอาละ่ะสำหรับมุสลิมแน่นอนความปรารถนาที่จะต้องบริจาคทรัพย์ของเขาในทางที่ถูกต้องไม่ปรารถนาที่จะบริจาคในแนวทางที่ไม่ถูกต้องแต่บางทีมันก็ผ่าด ดีก็ตั้งใจบางทีก็ไม่ตั้งใจไปเสียตังในสิ่งอบายมุขอุดหนุนสินค้าของศัตรูอิสลามอุดหนุนบริจาคไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะบางทีก็สนับสนุนเป็นเป็นเป็นงานเป็นการ น, นะ สนับสนุนนักการเมืองที่เรารู้ว่ามันเป็นนักการเมืองทุจริตสนับสนุนบารมีของคนในสังคมที่ไม่ปรารถนาดีต่อสังค ม, มทั้งหมดเนี่ยถือว่าเราได้บริจาคเวลาของเราบริจาคความเหน็ดเหนื่อยของเราบริจาคความช่วยเหลือของเราสตังของเราชื่อเสียงของเราไปทุ่มให้ให้ สิ่งที่มันไม่ถูกต้องน่ะไปทุ่มให้เขาบางทีมันก็ทำกันโดยรู้หรือไม่รู้ตัวก็ตามเราต้องตัวสอบตรวจสอบแล้วถ้าชีวิตของเรานี่เคยประพฤติใช้ใจ่ายหรือหรือบริจาคส่วนหนึ่งของ ทรัพยากรของเราจะเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพยากรเป็นอะไรก็ตามะนะ่ะเป็นเวลาเนี่ยในหนทางไม่ใช่หนทางของเราสุภาโนวดาทุกช่วงในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมามาตรวจสอบอที่จริงนเนี่ยมุสลิมเนือดต้องคิดบัญชีทุกวันนะวันหนึ่งเนี่ยใช้จ่ายไปเท่าไหร่สมมติวันหนึ่งใช้จ่ายไปสามร้อยบาทอื้ สามอบาทนี่ไปทําอะไรมาหนึ่งร้ยบาทนี่ไปใช้อะไรหนึ่งร้อยบาทนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะนะที่เราสามารถบอกว่าเออเราใช้ใจ่ายในหนังสือดังวะกี่เปอร์เซ็นต์ในที่เราบอกว่าเงินเนี้ยบวกแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เงินนี่ลบเติมเงินทุกวันนะเติมเติมโทรศัพท์อ่ะอันนี้บวกหรือลบมันบางทีตอบ่ตอบ ถูกเลยนะตอไม่ถูกเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะใช่เวลาของเรานอนแปดชั่วโมงเหลือสิบหกชั่วโมงกี่ชั่วโมงเนี่ยที่เป็นบวกกี่ชั่วโมงนี่ที่เป็นลบบันปลายชีวิตของเราอายุป่านนี้แล้วอายุยี่สิบสามสิบี่สิบหกสิบเจสิบ ทำทำเพื่ออัลลอฮ์เพื่อศาสนาเพื่อความดีเนี่ยกี่ปีและทําเพื่อความไม่ดีกี่ปีหรือบางทีเนี่ยไม่รู้ช่วงหนึ่งในชีวิตเนี่ยไม่รู้ทำเพื่ออะไรไม่รู้ออกจากบ้านจนกลับถึงบ้านเนี่ยไม่รู้ทําอะไรทั้งวันนะไม่รู้ทําเพื่อใครถ้าเราเคยเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องมาคิดบัญชีกันนะ บันปลายชีวิตเนี่ยเราจะให้บัญชีของเราเนี่ยมันลำเอียงไปทางบวกยังไงทำยังไงต้องคิดให้ได้อ่ะให้ผลงานของเราในช่วงสุดท้ายในชีวิตของเราเนี่ยทำให้ตาช่งของเราเนี่ยไปทางบวกให้ได้แน่นอนเราก็จะไม่ไม่ไม่เกิดความเสียใจที่เราได้บอกผลของคนที่บริจาค เพื่อขัดขวางทางของรถล้อเนี่ยก็จะเสียใจแล้วก็วันเกียวมาก็จะยนนันัำเราไม่อยากจะเสียใจเราอยากจะดีใจอยากจะภูมิใจเวลาของเรามีคำตอบสามารถพูดเต็มปากได้วันเกียมาเรามีเวลาทุกวันทุกคืนเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราใช้เวลาในสิ่งที่เราบอพอดทย ดูแลครอบครัวดูแลสังคมทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งเรื่องนี้เราอาจจะทำด้วยตัวเองได้แต่มันจะดีกว่าถ้าเราจับมือกับคนอื่นทำกันเป็นจมามันจะช่วยให้งานนี้เนะี่ยมีมีรสชาติดีกว่าทำอยู่คนเดียวทำความชั่วส่วนมากคนเวลาทำความชั่ว จะชอบแอบทำแต่ทําทความดีเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะไม่ชอบแอบทําเป็นเรื่องทงั้งทังที่เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮ า, านาวะดาอยากเพราะมันเป็นเรื่องยากไงทําความชั่วแล้วก็มาโอ้อวดนะไม่ค่อยมีคนทำมอัอวดให้คนคนรู้ว่าเราทําความชั่วไม่ค่อยมีคนทําแอบทําความดีก็ไม่ค่อยมีคนทํา Allah ให้ธรรมชาติของความชั่วนี่ให้แอ บ, บทําซึ่งกรณสำหรับคนปกติน่ะพูถึงคนปกติสําหรับความดีเนี่ยอยากจะมีความร่วมมือกับคนอื่นจะได้ทำ Allah จึงบัญญัติละหมาดฟอรดูเนี่ยให้จะม า, มาท่านนั่งวิการละหมาดโดยไม่ใครเห็นเนี่ยมันน่าจะดีกว่าแต่ Allah ไม่ให้ไม่ให้เราละหมาดฟอรดูคนเดียว แล้วมาดฟอดูจะมาดีกว่าแต่จะสุนน่านี่แนหะละแอบละหมาดเนี่ยได้ทําไมาอ่ะเพราะถ้าหากว่าเราถ้าอัลลอฮ์ปล่อยให้เรื่องจะมาละหมาดฟอดูเนี่ยต่างคนต่างละหมาดนี่นะให้ไปแอบละหมาดกันโอ้จบเลยการละหมาดสําคัญสําคัญอย่างการละหมาดฟอดูไม่รู้ใครจะจะไปละหมาดที่ไหนไปอะไร ย, ยังไงเนี่ยอัลลอฮ์จึงให้ การละหมาดพระดูนี่มันสอดคล้องกับธรรมชาติคือการทําความดีโดยมีส่วนร่วมกับคนอื่นมันสอดคล้องกับธรรมชาติมันดีกว่าแล้วเราก็สนับสนุนบกอกว่าดูและแห่งเรื่องจะมาพลังที่เราจะสนับสนุนนี่ก็ขึ้นอยู่ที่จะมาอยู่กับการทําความดีเป็นกลุ่มเป็นจะมา و ف ح ب ن ا نتبوصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.